เรื่องแม่น้ำตะโปธาหนึ่งเรื่อง2อ1สมัยนั้นพระมหาโมคคัลลนะเรียกพิสูนทั้งหลายมาบอกว่าท่านทั้งหลายแม่น้ำตะโปธานี้ไหลามาจากสระน้ำที่ใสยเย็นจืดสนิทสะอาดมีท่าเรียบหน้ารื่นรมมีฝูงปลาและเต่าอาศัยอยู่มากมีดอกบัวขนาดเท่าวงล้อบานอยู่แต่กระนั้น แม่น้ำตะโปธาก็ยังคงร้อนเดือดพล่านไหลไปพิกสุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนทนาว่าฉะนนพระมหาโมคลณนะพูดอย่างนี้เล่าท่านกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกสุทั้งหลายแม่น้าตะโปธาไหลผ่านมาระหว่างมหานรกสองขุมดังนั้นจึงคงเดือดพล่านไหลไป โมกขลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่ห้าสิบเจ็ด